ฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าคืออะไรบ้างเช่นทำคนเดียวให้เป็นหลายคนทำหลายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏหรือหายตัวไปก็ได้จะทะลุฝากำแพงภูเขาไปไม่ติดขัดเหมือนไปในช่องว่างๆก็ได้พระองค์จะผุดขึ้นหรือว่ามุดลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้พระองค์จะเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูกครลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อํานาจทางกายไปตลอดพรมมาโลกก็ได้เนี่นะคือพระองค์เนี่ยจะเสด็จไปถึงพรมมาโลกก็ได้แต่ว่าสุนัขะตะลิชชวีบุตรไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งๆ ท, ที่สมัยนั้นนะพระองค์ก็แสดงยงมกะปาฏิหารเป็นต้นเนี่ยนะ ซึ่งเขาน่าจะเลื่อมใสเขาน่าจะเชื่อหรือว่าตอนที่พระองค์เนี่ยปรากฏตัวหายตัวเนี่ยแถวเมืองภัยาลีแสดงรัตนสูตรมีเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามหาสารแต่เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะคล้อยตามยอมรับว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เขาไม่ยอมรับเลยเนี่ยนะเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยก็ทําไงก็ปิดตามไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นจะได้ด่าให้ถนัดใจว่างั้น เรไปเที่ยวโบลโทนธนาดาซึ่งคําด่าของสุนัขัตาริชวีบุตรนะถ้าไม่สละความคิดไม่สละคืนนี้นะไม่ขอโทษพระพุทธเจ้าตกนรกแน่นอนไอคําที่ด่าสองบรรทัดนั้นน่ะนะตกนรกแน่นอนเลยแล้วพระองค์ยืนยันเลยว่างั้นแต่ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดว่างั้นถ้าไม่เปลี่ยนวัจจีและเปลี่ยนความคิดซ้ำว่างั้นอันนี้ก็เท่ากับกล่าวพระพุทธคุณไปสองข้อนะใช่ไหมหนึ่งพระองค์มี ิติปิโสหรือสัพพัญยุตยานส่วนข้อต่อไปก็คืออิทธิวิทยานนี้ต่อไปข้อที่164ดูก่อนสารีบุทก็การที่สุนัขขตะลิชวีบุตรผู้เป็นโมคะบุรุษบุรุษเปล่าเนี่ยนะไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามคุณธรรมของเราว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นย่อมทรงสดับเสียงสองชนิดคือเสียงทิพและเสียงมนุษ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพโสตาธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์สุนคขาลิชวีบทเนี่ยปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้ามีหูทิพพระองค์งไม่มีหูทิพเพราะฉันเสียงไกลเสียงใ ก, กล้เสียงที่มีภูเขาเป็นต้นกำบงังพระองค์งไม่ได้ยินหรอกเพราะฉะนันปฏิเสธเขาไม่เชื่อว่าพระองค์งจะมีหูทิพเนี่ยนะล้วปฏิเสธคุณไปแล้วสองข้อเออสามข้อ ในข้อ165ดูก่อนสารีบุตรก็การที่สุนัขขะตะิชวีบุตรผู้เป็นโมคบุรุษไม่มีแม้ปัญญาคล้อยตามคุณของเราว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นด้วยใจของพระองค์ด้วยเจโตปริยญาาเนี่ยนะสภาพความคิดของผู้อื่นด้วยเจโตปริยญาาของพระองค์คือเขาจิตมีราคาพระองค์ก็รู้ว่าจิตมี ราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูด้วยถีนมิทธะก็รู้ว่าหดหูด้วยถีนมิทธะอันนี้ไม่ต้องใช้เจโตก็ได้นะดูหน้าตาซึมๆก็ใช่เลยนะ ตาเรีสักนิดหนึ่งนะฮะเนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องว่าเจตัวอะไรหรอกนะคนง่วงๆอันนะดูไม่ยากจิตไม่เป็นมหัคตาก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหัคตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะจิตเป็นสมาธิหรือจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้น อันนี้แหละเขาเรียกว่าเจโตเปรียญาาทั้งๆ ท, ที่สุนัขข่ตลิชวีบุตรคิดอะไรพระองค์ก็รู้ความคิดของสุนัขข่าไปหมดและพระองค์ก็พยากรณ์เล่าให้ฟังต่อหน้าผู้ตั้งหลายครั้งนะแต่เขาก็ไม่เชื่ออัน น, น้เขาไม่ยอมเชื่อเลยนะว่าพระองค์ได้มีเจโตเปรียญาเา น, น, นี่ยนะปฏิเสธนะไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าขนาดนั้นปฏิเสธพุทธคุณไปได้ะแต่ก็มีอยู่คนเดียวนะมีอยู่คนเดียว อันนั้นในข้อ162ปฏิเสธสัพพันยู163ปฏิเสธอิทธิวิธีข้อ164ปฏิเสธทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ข้อ165ปฏิเสธเจโตเปริยญทีนีน้ถึงจากปฏิเสธแต่พระองค์ก็มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกที่สุนัขตาลิชวิบุตรไม่รู้ปกตินะถ้าขึ้นต้นด้วย อิติปิโสแล้วก็มาอิทธิวิธีมาทิพโสตะแล้วก็มาเจโตเปรียญาาเนี่ยเกือบได้อภิญญา6ข้อแล้วใช่ไหมถ้าพูดปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยายานตัพก็จะเป็นอภิญญาหแต่ไม่แสดงะนะจะไม่แสดงอีก3ข้อเพราะอะไรเพราะอีกสข้อคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยายาน ไปอยู่ในสามข้อสุดท้ายของทศพลยานก็เลยไม่เอามากลราบนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้ามีกําลังเท่าไหร่สูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงพรรษาสุดท้ายที่พระองค์จำพรรษาอยู่ที่เมืองไพศาลีเนี่ยนะพรรษาสุดท้ายดูก่อนสารีบทประถาคตประกอบด้วยพละคือกาลังเหล่าใดย่อมปฏิยามฐานะแห่งผู้เป็นโจ คือเป็นหัวหน้าเนี่ยนะย่อมบลือสีหานาถในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปอันนี้ก็คือพูดถึงความรู้ความเห็นความสามารถชนิดพิเศษของพระพุทธเจ้าอธิบายตามลำดับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยที่บอกว่าประกอบด้วยกำลังเหล่าใดเนี่ยนะย่อมปฏิญาณฐานะผู้เป็นโจกบาลือสีหานาถในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไป ในอัถกถาหน้าเจ็ดสิบสามนั้นกล่าวถึงว่าจริงๆแล้วกําลังของพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างนะกำลังคือกําลังกายกับกําลังกําลังญาณนะแต่ส่วนคําว่าพระละเนี่ยนะพระละที่มาแล้วโดยประการที่เหมือนพระละของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนซึ่งมาด้วยบุญยสมบัติและอิสริยสมบัติปกติแล้วกําลังของพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยเหมือนกันนะที่ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สั่งสมบูรณ์มานีนะสั่งสมบูรณ์มาเป็นอย่างดีนั่นแหละทําให้พระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยกําลังทั้งสองอย่างคือกําลังกายและกําลังยานกำลังกำลังกายของพระองค์เนี่ยพระองค์นี่มีกําลังเท่าไหร่พละกําลังทางร่างกายของพระองค์นี่มีเท่าไหร่ท่านบอกว่าพึงทราบโดยทํานองแห่งตระกูลช้างก็บอกว่าสิบคนเนี่ยนะหมายว่าชายผู้ชายทั่วไปสิบคน มีกําลังเท่ากับช้างกาลาวกะหนึ่งเชือกช้างกาลาวกะสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างคังเคยะหนึ่งเชือกช้างคงังเคยะหนึ่งเชือกมีกําลังเท่ากับ hmm ช้างปันดระหนึ่งเชือกช้างปัณดระสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างตัมพระสิบหนึ่งเชือกช้างตัมพระสิบเชือกมีกําลังเท่ากับช้างปิงคละหนึ่งเชือกช้างปิงคละสิเชือกมีกําลังเท่ากับช้างคันทะหนึ่งเชือก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 กำลังของช้างฉัตถันตะสิบเชือกนั่นแหละจึงจะเท่ากับกําลังของพระองค์พระพุทธเจ้าหนึ่งเนี่ยนะเท่ากับเพราะฉะนั้นกําลังกายของพระองค์จะเรียกว่านารายณ์สังคาตะพทะก็ได้เรียกว่าที่กําลังรวมของพันนารายเนี่ยนะเรียกว่ากําลังพันนารายหรือจะเรียกว่ากําลังช้างโดยปกติประมาณพันโกฏก็คือประมาณหมื่นล้านช้างปกติประมาณหมื่นล้านอันนี้พูดแบบช้างธรรมดา ถ้าพูดถึงผู้ชายทั่วไปก็ประมาณแสนล้านเท่ากับแสนล้านคนเนี่ยเท่ากับกําลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นกําลังทางร่างกายของพระตถาคตอย่าลืมว่าบุญนะบุญเนี่ยมันทํามาไม่เหมือนกันอ่ะนะของเราเกิดมาอ่อนเปลี้ยเมียดโมเรียวโมแรงอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้ามีแข็งแรงเท่าเราอย่าไปคิดอย่างนี้ทุกอย่างในโลกนี้อย่าเอาเราเป็นเครื่องเปรียบเลยเนี่ยนะเอาเราเป็นเครื่องเปรียบไม่ได้หรอกนะนนะ อย่างไรนะแค่บอกว่าแค่เครื่องยนต์ทั่วๆไปนี่เขาพูดกี่แรงมาเอาเครื่องยนต์ทั่วๆไปนะกี่ร้อยแรงมานกี่พันแรงมาแล้วถามไอ้เครื่องเครื่องเรือที่มันบรรทุกเครื่องบินเรือลําใหญ่ๆเนี่ยนะที่เรียกว่าใหญ่กว่าสนามฟุตบอ ล, ลหลายสิบเท่าเนี่ยมันต้องใช้อกี่แรงมา้ามันจึงจะขับเคลื่อนได้เอาแค่เรือธรรมดาที่มันลากทั่วๆไปเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้ามีแรงถึงก็เรียกว่าแทบจะผลักโลกทั้งโลกได้เนี่ย พระองค์จะมีกําลังเท่าไร น, นะครับเพราะกำลังของพระองค์เนี่ยคนธรรมดาทั่วๆไปคิดไม่ได้เพราะว่าพระองค์สั่งสมบุญมาแต่เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยมีเรียวมีแรงมีพละกําลังมากเนี่ยนะก็เอาไว้ยอมรับว่าเออเนี่ยพระองค์เนี่ยขนาดกําลังกายเป็นอย่างนี้แต่ไปที่ไหนพระองค์ไม่เคยไปโฆษณาตัวเองว่าเป็นนักพละเนี่ยนะนักกําลังแม้ไปที่ไหนแล้วก็ยกหินให้ชาวบ้านเขาดูเนี่ยนะ ว่าเนี่นะฉันจะยกภูเขาทั้งลูกให้ดูเคลื่อนภูเขาย้ายภูเขารับจ้างย้ายภูเขาเป็นต้นไม่มี น, นะเพราะพระองค์ไม่ได้ค้ากําลังทางร่างกายเนี่ยนะไม่ได้คิดว่าจะเอาดีเอาเด่นทางนักกีฬาใช่ไหมที่ไปที่ไหนเอาเหรียญทองมาจากบ้านจากเมืองต่างๆพระองค์ไม่ใช่คนกลุ่มนั้นที่จะไปเที่ยวยอมรับหรือต้องการในสิ่งเหล่านั้นพระองค์จึงไม่ได้ไปเที่ยวโฆษณาขายพลังกาลังของพระองค์ว่าพระองค์นั้นมีกําลังเท่าใดเนี่ยนะ แต่บางแห่งท่านบอกว่าไอ้กำลังกายมันจะแรงขนาดไหนมันก็บรรลุมรักผลไม่ได้หรอกไอ้ตัวพลังข้างร่างกายอะนะมันบรรลุมรักผลไม่ได้หรอกแต่ส่วนกำลังยานของพระองค์เนี่ยมีหลายพันหลายพันเช่นอะไรบ้างกำลังคือทศพลายานมีสิบใช่จตุเวสารัยเนี่ยมีสี่ยานที่ไม่ขั้นคร้ำในบริษัทอีกแปดยานกำหนดกำเนิดสี่ยานกำหนดคติห้าอันนี้เฉพาะในสูตรนี้นะนเฉพาะใน มหาสีหนาสูตรจริงๆแล้วพระองค์ยังมีญาณวัตถุเจ็ามยาวัตถุเจ็ดสบเจดที่อยู่ในสังยุตติกายเนี่ยนะอันนี้เรียกว่ายานภละของพระองค์เพราะฉะนั้นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าตถาคตประกอบด้วยพละคือกําลังเหล่าใดกําลังที่พระองค์พูดถึงนี่หมายถึงกําลังคือยานไม่ใช่กําลังคือกําลังทางร่างกายเรียวแรงเนี่ยนะ พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบกําลังด้วยกําลังยานเนี่ยนะที่สามารถปฏิญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจรคือฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นโจรนี่มาจากคําว่าอาสพัฒฐานังเนี่ยอาสพัฒฐานังหรืออาสะพันฐานังอ่ะฐานะที่ประเสริฐที่สุดคือฐานะที่สูงสุดอุดมเนี่ยเป็นฐานะแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนคือเป็นฐานะเดียวกันกับพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆดารงอยู่ในอาสะพันฐานังเช่นใดพระองค์ก็ดํารงอยู่ในฐานะเช่นนั้นฐานะผู้เป็นโจกเนี่ยนะที่เป็นประดุจโคหัวหน้าฝูงเพราะฉะนั้นบอกว่าโคอุตสภะพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยกําลังแห่งโคอุตสภะทําลายแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสี่แล้วยืนอยู่โดยไม่หวั่นไหวฉันใด แม้พระตถ า, าคตก็ฉะนั้นพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยกําลังสิบของพระตถ า, าคตหรือว่าทศพลยานทศพลยานก็กําลังสิบประการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เหยียบแผ่นดินคือบริสัทธ์แปดด้วยพระบาทคือเวสารชยานสี่นะบริสัทธ์แปดเนี่ยพระองค์ไม่ขั้นคลามเลยแล้วก็เวสารชยานสี่ยานที่ทําให้พระองค์เนี่ยถึงความสมมนัตพระองค์นี้ไม่หวนเกรงต่อข้าศึก คือปัจจามิตรอนะปัจจะอภมิตรเหล่าใดเหล่าใดเนี่ยนะที่เป็นข้าศึกศัตรูไม่ว่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระองค์จึงดำรงอยู่โดยความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ดำรงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวพระองค์จึงสามารถประกาศคือพระองค์เนี่ยเข้าถึงฐานะแห่งความเป็นผู้นำพระองค์นำไปไหนเมื่อพระองค์เนี่ยปฏิญาณเป็นผู้ยืนมีพละกำลังกำลังคือญาณมั่นคงไม่หวั่นไหวพระองค์ก็ประกาศเป็น เป็นโจกคือผู้นํานําไปไหนนําโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากชาติชาราและมรณะนั่นเองก็เลยเรียกว่าอาสพันธ์ฐานังปฏิชานาติในบริษัทแปดเนี่ยนะคือว่าสามารถที่จะบรรลือศีหนาทในบริษัทคือบริษัททั้งแปดคำว่าศีหนาทางนัติเนี่ยนะบรรลือศีหนาทก็คือเป็นบรรลือที่ชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงกลัว เป็นการบรลลืเหมือนกับบรลลือของสีหะแบบนั้นนะเบือนราชสีไม่ขั้นครามไม่หวัน่นและไม่ผวาฉันใดเพระองค์ก็บัลลือสีหนาศฉันนั้นอย่างเช่นความหมายของราชสีที่บัลลือสีหนาศเนี่ยนะมีหลายความหมายนะเช่นมีความหมายว่าครอบงำหรือฆ่าเช่นว่าราชสีเนี่ยครอบงมสัตว์ทั้งหลายด้วยเสียงคำรามแล้วก็เมื่อเปล่งเสียงคำรามแล้วสา ม, มารถที่จะฆ่าสัตว์ตัวไหนก็ได้ที่ตัวเอง ต้องการฉันใดพระตถาคตก็เรียกว่าสีหเพราะโพรงครอบงำโลกธรรมทั้งหมดไม่ได้ว่าแม้ครอบงำสัตว์อื่นให้เขากลัวผวา